สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดนะครับร้อยเรียนคําอุปมาตอนที่สี่ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมอยากจะขอทบทวนเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องผู้คนในราชจสกจหรือในแผ่นดินของพระเจ้าเราซึ่งเป็นผู้คนนั้นเราจะต้องเห็นคุณค่าแผ่นดินของพระเจ้าให้สูงสุดนะครับเพื่อที่เราจะตัดสินใจ พร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราจะต้องตั้งใจนะครับและเอาจริงเอาจังที่จะเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์และจะจับเป็นประชากรที่เป็นของแผ่นดินสวรรค์ประเภทที่ดีหนึ่งประเภทหนึ่งครับก็คือประเภทที่มีความตั้งใจจริงมีการอุทิศเสียสละชีวิตของเราจริงแล้วก็มีการมีชีวิตที่เชื่อฟังทําตามพระเยซูจริงพระเยซูไม่ประสงค์สาวก พวกฉับเวยนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูเตือนเราให้เอาจริงเอาจังในการคิดครับเอาจริงเอาจังในการคิดให้รอบออบแคิดเป็นผลที่ตามมา ก, ก่อนจะตัดสินใจคนะครับของดีครับแท้จริงแล้วไม่ต้องยักเหยียบแต่ที่พระเยซูนั้นได้หยิบยืย่นให้กับเรานะครับแสดงว่าพระเยซูนั้นทรงพระคุณและความรักมากมายในชีวิตของพวกเรา เป็ชูปรารถนาที่จะเห็นเราเอาจริงเอาจังในแผ่นดินของพระเจ้าเอาจริงเอาจังที่จะได้แผ่นดินของพระเจ้ามาเป็นของตัวเองและสามารถที่จะแบ่งปันแผ่นดินของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆอีกมากมายอันนี้คือไม่ใช่หะเอียดแต่ลงพยายามนะครับที่จะล้มน้าวจูงใจเราทั้งหลายให้ถูกต้องให้มีท่าทีที่ดีครับในการที่เราจะส่งต่อแผ่นดินของพระเจ้ารับเอาแผ่นดินของพระเจ้า มายู่ในชีวิตของเราและส่งต่อแผ่นดินของพระเจ้าเข้าไปในชีวิตของคนอื่นๆมากมายในวันนี้ครับเป็นตอนสุดท้ายแล้วของอการร้อยเรียงเรื่องทำอุปมาเพื่อที่เราจะเข้าใจครับวันนี้เป็นวันที่เกี่ยวพูดถึงเกี่ยวข้องกับวิกฤตของราชแสกของพระเจ้าเหรือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนที่ในอาณาจักรและเลาะนอกอาณาจักร ย้อนกลับรพระเจ้าในวันนี้เป็นคําอุป ม, มาที่จัดให้จัดกลุ่มสุดท้ายนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่พระเยซูสถาปนาแผ่นดินในการปกครองของพระเจ้าแล้วพันธกิจแห่งแผ่นดินนี้กําลังมุ่งไปสู่วิกฤตที่ยิ่งใหญ่ก็คือเวลาที่พระเจ้าจะทรงจัดการกับคนกับจัดการสรรพจักรของพระองค์ในวิกฤตการครั้งนี้ ซึ่งเป็นมิจฉุกเฉลิราชันจัก ร, ร ข, กของพระเจ้ามิจฉุกเฉลิมกานบินสวรรค์นั้นจะนํามาซึ่นไหงานสู่พวกยิวและพวกวิหารและพระวิหารของเขาครับพวกยิวและพระวิหารของเขาถามว่าทําไมจะต้องทุกข์ทุกขยากสาด้วยจะต้องถูกพระเจ้าลงโทษด้วยครับเพราะว่าพวกเขาล้มเหลวครับล้มเหลวและปฏิเสธที่จะให้น้ำมันไถยของพระเจ้าที่มีต่อชินชาติของเขาสําเร็จนั่นคือสแสดงการที่เขา แรงออกโดยการประหารชีวิตและไม่เชื่อฟังพระเมิสยาก็คือองค์เะเยสุคริสซึ่งเสด็จมาครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นการประเสธปฏิเสธไม่ให้น้ำมันไทยของพระเจ้าสาเร็จนะครับในขณะเดียวกันการทนทุกข์และการตายของพมิสยาหรือเะเยสุผู้รับใช้ของพระเจ้าก็กําลังจะมาถึงแต่เนือความตายนั่นเองไม่แวงไว้ซึ่งชัยชนะ ของพระเจ้าและการกลับใหม่ครั้งหนึ่งของอิสราเอลใหม่พี่น้องครับและนี้เป็นเบื้องหลังที่อุปมากลุ่มนี้ถูกเล่าขึ้นมาโดยพระเยซูน่เองวิกฤตที่ยิง่งใหญ่ก็คือพระเจ้ากําลังจะพิาพากษากําลังจะจัดการกับประชากรหรือคนที่ไม่เชื่อตรงที่ตรงได้ทรงโน้ม น, น้าวให้โอกาสเขาแล้วนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ควาถเป็นความเข้มงวดนะครับความเข้มงวดในเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้า แสดงถึงว่าในอนาคตครับมีวิกฤตแน่นอนนะครับที่ผ่านมาในอดีตวิกฤตที่เกิดขึ้นกับชนชาติยิวซึ่งเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรไว้แน่นอนครับในอนาคตก็จะมีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราเหมือนกันวิกฤตนั่นคืออะไรครับวิกฤตนั่นก็คือการปูนบําเหน็จรางวัล น, นะครับวิกฤตนั้นก็คือที่ภากษาครับแยกข้าวละมันออกจากข้าวสาลีแยกคนชั่วออกจากคนดี ค, ครับนี่คือ สิ่งที่เป็นวิกฤตแห่งการดินของพระเจ้าครับอย่างนั้นก็ตามครับเมื่อพระเยซ <toi S 1> uh ูได้ทรงซี้อมาชนด้วยแหวนเข็มสิ่งที่เป็นการันตีในความเป็นพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระเยซูก็คือการเป็นขึ้นเหนความตายครับการเป็นขึ้นเหนความตายนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่เราทั้งหลายที่เป็นสาวกของพระเยซูนั้นเราจะเป็นขึ้นมานือความตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นในความตายนั้นแฝงไว้ซึ่งชัยชนะของพระเจ้า และการกลับมาอีกครั้งหนึ่งขององยยค์พระเยซูริตในทั้งที่สองเพื่อที่พระเยซูจะเป็นผู้ที่ปกคลองแผ่นดินของพระองค์ก็คืออาณานจักรพันปีนะครับชัดเจนมากน้ครับนี่คือเรื่องเบื้องหลังของการกลับมาอครั้งหนึ่งของอิสราเอลใหม่การกลับมาอีกครั้งหนึ่งขององยยค์พระเยซูกิตอันนี้เป็นเบื้องหลังที่จำุมมาแห่ง วิสัยแห่งกานบินพระเจ้าถูกเล่ามาโดยพระเยซูนั่นเองประการต่อไปครับเราจะเห็นว่าความไม่พร้อมและการที่ไม่พยายามเข้าใจของประชาชนหรือคนอยู่ได้รับการตําหนินะครับอุปมาเรื่องเด็กที่นั่งกลางตลาดในลูกตาบทที่เจ็ดและบทที่สิบเอ็ดครับเราจะพบว่าในเรื่องนี้กลับเป็นเรื่องของความไม่พร้อมและความที่ไม่พยายามเข้าใจนะครับของประชาชนแลนะ ประการต่อไปก็คือการตัดเตือนนะครับเกี่ยวกับการมาถึงของวิกฤตในอุปมาเรื่องเศรษฐีโงูที่น้องคงจะจําได้นะครับว่าเศรษฐีโง่นั้นเกี่ยวข้องกับการที่พวกเขาได้สะสมสะสมบัติไว้อย่างนั่งเขามีความสบายใจมีความสกมั่นคงปลอดภัยนะครับอันในที่สุดเป็นไงครับพระเจ้าบอกว่าคือ น, นี่เราจะเอาชีวิตเจ้าไปเสีย แล้วสงต่างที่จะมาทั้งมาหามาทั้งชีวิตนั้นจะตกเป็นของใครแล้วนะครัประาการต่อไปครับก็คือพระเยซูกําลังตักเตือนเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในระหว่างการรอคอยนะครับรอคอยการกลับมาของพระเยซูนนในคํำอุปมาเพื่องเบาสัตย์ซื่อและเบาไม่สัตย์ซื่อพี่น้องครับความสัตย์ซื่อนะครับและความรับผิด ช, ชอบสําคัญมากครับในะต่อชีวิตที่รอคอยพระเยซู ชีวิกที่จะตามมาหลังจากที่พระเยซูได้มารับเราไปอยู่กับพระองค์นี่คือสิ่งที่พระเยซูได้เรียนครับในฐานะที่เราเป็นผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าเรารับพักคุยเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเราจะต้องรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์นะครับเรื่องราวของเศษฐีกับราหัสในลูกาบทที่สิบหกนะครับสิมการเหล่านี้ครับทําให้เราทั้งหลายได้เห็นความสาคัญของการกลับใจใหม่ครับ วิกฤตจะเกิดขึ้นกับผู้คนในแผ่น ด, ดินของพระเจ้าถ้าเกิดเขาไม่กลับใจใหม่แต่ผมได้ย้ำเน้นเสมอนะครับว่าการกลับใจใหม่นั้นเป็นอุปนิสัยที่สําคัญนะครับที่สุดอย่างหนึ่งเป็นอุปนิสัยที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการกลับใจใหม่นี้ของคริสเตียน น, นะครับอุปมาต่ อ, อกไปก็คืออุปมาเรื่องคนใช้ที่เฝ้าระวังอยู่นะครับในลูกาบทที่สิบสองข้อสามสิบห้าและอุปมาเรื่องขโมย ลูกาบทที่12ก็3 379นะครับและอุปมาเรื่องสาวกคมจารี10คนพี่น้องครับซึ่งเราได้เรียนมาแล้วมาที่บทที่25นะครับคําสอนหลักของคนเหล่านี้หรือเรื่องดงังสองนี้คือประการต่างๆเหล่านี้ก็คือเรื่องของความพร้อมกับในความพร้อมความพร้อมของคนที่รอคอยแผ่นดินของพระเจ้าความพร้อมของการมานะครับนะี่ครับความพร้อมกันมา เรื่องนี้เป็นเรื่องว like um, ิกฤตเหมนกัน like ครับเพราะอะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พร้อมเราอดไปครับถ้าเราไม่พร้อมเราไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์แห่งแผ่นดินของพระเจ้าได้ครับโดยสรุปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นหัวใจของคํำสอนอุปมาต่างๆที่เบียชูเล่านะครับแผ่นดินพระเจ้าเป็นหัวใจของคํำสอนของคําอุปมาต่างๆที่เบียชูเล่า ประการแรกก็คือเมื่อพระเยซูทรงเริ่มพนักิจของพระองค์กับอุปมาช่วยในการอธิบายให้อธิบายและให้ความเข้าใจเรื่องการมาเสริจแผ่นดินของพระเจ้าการมาถึงของแผ่นดินของพระเจ้าการเกิดตัวของแผ่นดินของพระเจ้านะครับนี่เป็นประการแรกหัวใจของคําสอนอุปมาประการที่สองก็คือกับอุปมานั้งชี้ให้ผู้คนได้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินสวรรนั้นทรงกครองแผ่นดินนี้ด้วยพระคุณ ับด้วยความรักด้วยการให้อภัยนะครับประการที่สามครับอุปมานี้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่เยซูต้องการพบในชีวิตของผู้คนในแผ่นดินของพระเจ้าครับคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพกับหรือคุณสมบัติของผู้คนที่เยซูต้องการครับในแผ่นดินของพระเจ้าและสุดท้ายก็คือเป็นคําอุปมาที่ชี้ให้เห็นถึงการมาของวิตติการต่างๆ ในการที่เยซูเรียกร้องให้ผู้คนกลับมาหาความสว่างก็คือพรองก่อนที่โลกนี้นะครับหรือว่าความมืดแห่งโลกนี้จะปกคลุมและครอบงำพวกเขาเนื่องนี่เป็นเรื่องราวของแผ่นดินสวรรค์ที่ถูกร้อยเรียงมาทำให้เราเห็นสี่ภาพนี้ครับขอพระเจ้าไม่กระโวยพรให้ความรู้ความจริงที่เราได้เรียนรู้ไปได้ยินได้ฟังไปนั้นจะเกิดผลที่ดีจะเกิดการนาไปใช้ที่ในชีวิตของ พี่น้องที่ดีอาเมน